ตลาดพรานท่านสาธุชนพุทธบรราชอุบาศิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบสิงหาคมพุทธศักราช2557เป็นวันพระวันธรร ม, มัฒสวนะวันฝันธรรมเป็นวันที่พระพธเจ้า ได้ทรงกำหนดไว้ให้พุทธบริษัทสาธุชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆเพื่อมาทำภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งแก่ชีวิตจิตใจก็คือการทำบุญละบาปชำระใจ ให้สะาด บ, บริสุทธิ์ทำบุญด้วยการถวายทานละา บ, บาปด้วยการรักษาศีชลชำระใจด้วยการฟังเทศ์ฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะเป็นการเสริมความสุขเสริมความเจริญก้าวหน้าให้แก่จิตใจที่ยัง ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางคือความเจริญที่สูงสุดความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงแล้วพวกเรายังเป็นเหมือนผู้ยังเดินทางอยู่การมาเกิดในโลกนี้ก็เหมือนกับการแวะจอดตามสถานีบริการต่างๆ เวลาเราเดินทางไกลเมื่อเราน้ำมันหมดเราก็ต้องหาที่เติมน้ํามันกันเราก็ต้องแวะจอดตามสถานีบริการเติมน้ํามันเติมน้ําคนขับก็เติมอาหารเติมเสเบียงให้พร้อมเพื่อที่จะได้ออกเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางต่อไปการมาเกิดของพวเราในภพของมนุษย์นี้ ก็เป็นเหมือนกับการมาจอดแวะที่สถานีบริการเพื่อมาเติมบุญมาละบาปมาชำระใจของเราให้สะอาดเพื่อที่ใจของเราจะได้ก้าวหน้าขึ้นไปจากมนุษย์ก็จะได้ไปเป็นเทพจากเทพก็ได้เป็นพรหมจากภรมิก็จะได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ขั้นสโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีจนถึงขั้นอรหันเป็นขั้นสุดท้ายของการพัฒนาจิตใจเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางที่ย่านำไปสู่การยุติ ก, การเดินทางคือการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่มีใครบอกเราว่าเราเกิดมาทำไมพอไม่มีคนบอกเราก็จะทำไปตามความรู้สึกนึกคินของเราเวลาอยากจะทำบาปก็จะทำบากเวลาอยากจะทำบุญก็จะทำบุญเวลาอยากจะทำาจให้สกปร่ด้วยความโลภ ความโกรธความเห็นก็ปล่อยให้ทาไปโดยไม่รู้ถึงผลที่เสียหายหรือผลดีที่จะตามมาเพราะว่าเป็นเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นทางมองไม่รู้ว่าทางที่กำลังเดินไปนั้นไปสู่ความสุขหรือความทุกข์ไปสู่ความเจริญหรือความเสือ่อมต้องมีคนที่ไปสู่ จุดที่เจริญที่สูงสุดแล้วจุดที่มีความสุขที่เต็มที่แล้วอย่างพระพุทธเจ้ามาสอนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราก็จะวนเวียนอยู่กับการทําบุญทำบาปอยู่กับการสร้างความเศร้าหมองสร้างความสโครกให้แก่จิตใจของเราไปเรื่อยรื่อยซึ่งจะทําให้เรา ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างไม่มีวันหมดสิน้นแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพทธเจา้าเราก็จะได้แสงสว่างที่จะบอกเราให้รู้ว่าเรากาลังทาอะไรกันอยู่ <c oughs> เราไม่รู้ว่าเราเป็นกลังเดินทางกันอยู่แต่ทางที่เราเดินไปนี้ มันไม่ได้พาให้เราไปสู่การสิ้นสุด ข, ของการเดินทางมันพาให้เราวนอยู่รอบวงเวียนขับไม่รู้กี่แสนรอบกี่ล้านรอบก็ไปไม่ถึงไหนเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆสูงๆต่ำๆบ้างบางรอบก็สูงบางรอบก็ต่ำขึ้นอยู่ที่บุญที่กรรมที่ได้ทำ พระพุทธเจ้าจึงต้องมาสอนว่าให้ทําบุญอย่างเดียวการทําบุญจะพาให้เราบุนขึ้นสูงที่สูงไม่ให้ทําบาปเพราะการทําบาปจะทําให้เราหมุนไปสู่ที่ต่ำํำให้เราจําระใจให้สะอาดเพราะความโลภความโกรธความหลงจะเป็นผู้ที่จะดึงให้เราหมุนอยู่ในวงเวียนอยู่ไปเรื่อย นี่คือหน้าที่ของพวกเราถ้าถามว่าเกิดมาทำไมก็เกิดมาเพื่อมาทำหน้าที่ของเรานั่นเองหน้าที่ของเราก็คือเติมสเสบียงเพื่อที่จะได้พาให้ชีวิตของเราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางไปถึงบ้านที่แท้จริงของพวกเราบ้านที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ได้ไปถึงแล้วเป็นบ้านที่ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายเพราะไม่มีวันเกิดเป็นว้านที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์นี่แหละคืองานของพวกเราหน้าที่ของพวกเราส่วนงานอย่างอื่นเช่นการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทอมนี้เรียกว่าเป็นงานสนับสนุน ถ้าเราไม่มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเราจะไม่สามารถมาทำบุญมาละบาปมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเราก็ต้องมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งหง่มภารกิจของเราจึงต้องเกี่ยวข้องกับการ เลี้ยงดูร่างกายแต่อย่าไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราร่างกายเป็นเพียงพาหนะที่เราใช้ขับปาขับพาเราไปไหนมาไหนเท่านั้นเองแล้วก็ไม่นานร่างกายนี้ก็จะเสื่อมไปหมดไปพอหมดไปเราก็ต้องไปหาร่างกายใหม่ที่เรียกว่าไปเกิดใหม่ เพื่อที่จะได้สร้างบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคือถึงพระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ร่างกายอกต่อไปเหมือนกับเวลาที่เราเดินทางถึงบ้านแล้วเราก็ไม่ต้องใช้รถยนต์อีกต่อไปการมีร่างกายก็เป็นพาระ ก็ต้องคอยเลียงดูแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายผู้ที่เดินทางไปถึงบ้านแล้วจึงไม่อยากจะเดินทางอีกต่อไปเหมือนกับผู้ที่เดินทางถึงบ้านแล้วก็ไม่อยากจะขับรถอยากจะเข้าบ้านอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินอาหารพักผ่อนหลับนอนนี่คือ เรื่องของชีวิตของพวกเราตอนนี้พวกเรายังไปไม่ถึงบ้านกันเราจึงต้องเติมน้ำมันเติมสเสบียงการเติมน้ำมันเติมสเสบียงก็คือการทำบุญการไม่ทำบาปการําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราไม่ทำเวลาเราตายไปเราก็จะไม่ได้ไปใกล้ถึงบ้านของเรา แต่เรากลับจะเดินถอยหลังแทนที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานเราก็จะไปอบายไปนรกกันพอพ้นจากอบายกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะทำแบบเดิม อ, อีกตายไปก็จะกลับไปอบายกลับไปนรกใหม่แต่ถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอน เวลาเราตายไปเราก็จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วพอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็มาทำบุญละบากชำระใจให้สะอาดต่อไปอีกเวลาตายไปเราก็จะไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางไปถึงบ้านของเราพอเราถึงบ้านของเราแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้ว พอเราไปถึงที่ปลอดภัยแล้วที่ที่ให้ความสุขกับเราอย่างทาววร น, นี่คือชีวิตของพวกเราที่พวกเราไม่รู้กันว่าเราเกิดมาเพื่อทำอะไรกันถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้เราก็จะหลงทำตามความรู้สึกนึกคิดของเรา เราก็จะคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราและเราก็จะต้องดูแลรักษาร่างกายของเราให้ดีที่สุดต้องหาบ้านใหญ่ๆมาให้ร่างกายเราอยู่หาอาหารมาให้ร่างกายเรารับประทานแต่าหามาได้มากน้อยเพียงไรร่างกายก็จะไม่สามารถอยู่ไปได้ตลอดร่างกายต่อไปก็ต้องแก่ลงไปเรื่อยๆ พอแกก็ต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดเมื่อไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ร่างกายก็ต้องตายไปสิ่งที่เราทำเพื่อร่างกายก็หมดหมดสภาพไปเราไปเราก็ไม่มีอะไรติดตัวไปเพราะเราไม่ได้ทำบุญเราไม่ได้ละา บ, บาปเราไม่ได้ชาระใจแทนที่จะไปสวรรค์ เราก็จะไปอบายกันถ้าเราทำบาปด้วยความหลงเราก็จะไปเป็นเดราาัจฉานถ้าเราทำบาปด้วยความโลภเราก็จะไปเป็นเปรตถ้าเราทำบาปด้วยความกลัวเราก็จะไปเป็นผีถ้าเราทำบาปด้วยความโกรธเกลียดเคี can, cents, ยดแค้นอาฆาตปยาบารเราก็จะไปนรก นี่คือที่ไปของผู้ที่กระทำบาปนะไม่ทำบุญไม่ชำระใจให้สะอาดนะพอใช้กรรมหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ก็จะกลับเป็นมนุษย์ที่บกพร่องเพราะยังมีเชื้อของบาปติดมาอยู่จะมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามจะมีอาการไม่ครบส2สอง มีโรคภัยไท้เจ็บเบียดเบียนมีอายุไม่อยู่ยาวนานมีฐานะที่ยากจนมีสติปัญญาที่ทึกนะเพราะไม่ทาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แต่ถ้าได้ทาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ <c oughs> เวลาตายไปถ้าถ้าทาบุญละบาดได้ก็จะไปเป็นเทเถ้าทำละใจให้สงบให้สะอาด ก็จะไปเป็นพรหมถ้ากำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างถาวรก็จะได้ไปถึงพระนิพพานไปอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวโลกไปกันไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแต่ถ้ายังไม่สามารถกำจัด ความโลภโกรธหลงกำจัดตัณหาความอยากให้หมดไปจากใจได้ถึงแม้จะได้เกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมหรือสวรรค์ชั้นเทพบุญที่ได้ทําไว้ก็จะเสื่อมหมดไปพอเสื่อมแล้วก็ต้องเลื่อนลงมาจากพรหมก็มาเป็นเทพจากเทพก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องมาสร้างบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ใหม่ แต่ผู้ที่กลับมาจากเบื้องบนนี้จะมาดีมาด้วยบุญมาด้วยบารณีมีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีอาการครบ32มสองมีร่างกายสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเดียดเบียนมีอายุยืนยาวนางมีฐานะการเงินการทองที่ดีและมะีสติปัญญา ที่ฉลาดที่จะรู้คุณรู้โทษของการกระทํารู้คุณของการทําบุญรู้โทษของการทําบาครู้ว่าที่ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายกิอยู่เพราะยังไม่สามารถชาระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากจายได้ก็จะพยายามทาบุญต่อไปพยายามละบาปต่อไป พยายามชำระใจให้สะอาดบ่อยสุดต่อไปอย่างพวกเราทั้งหลายพวกเราเป็นพวกที่กลับมาจากข้างบนพอเรากลับมาลงมาเรามีนิสัยทำบุญติดตัวมาเราก็จะชอบทำบุญเราเมินิสัยไม่ชอบทำบากเราก็จะไม่ชอบทำบาเราเมินิสัยชอบชำระความโลภความโกรธความหนุนเราก็จะกลับมาทำต่อ ถ้าเราไม่มีนิสัยนี้วันนี้เราจะมาที่นี่ไม่ได้คนที่มีนิสัยชอบกินเหล้าเมายาเขาก็จะไปกินเหล้าเมายากันคนที่มีนิสัยชอบท่องเที่ยวหยุดสี่วันเขาก็จะไปท่องเที่ยวกันอันนี้เป็นนิสัยที่เราสร้างขึ้นมาในแต่ละภพแต่ละชาติเราเคยทำอะไรมันก็จะติดมากับเราเราเคยถนัดมือขวา เรามาเกิดชาตินี้เราก็จะถนัดมือขวาต่อเราถนัดมือซ้ายเรามาเกิดชาตินี้เราก็จะถนัดมือซ้ายเราชอบสีเขียวสีแดงเราก็จะกลับมาชอบสีเขียวสีแดงเราไม่ชอบสีดำสีขาวเราก็จะไม่ชอบสีดำสีขาวการชอบการชังนี้มันติดมากับใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายสิ่งที่อยู่ที่ร่างกาย ก็คือทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองพวกนี้ไม่ติดมากับเราแต่สิ่งที่จะติดมากับเราก็คือนิสัยดีหรือนิสัยไม่ดีความรักความชังต่างๆของพวกนี้เราจรึงไม่ต้องมีใครมาสอนเราเกิดมาเรารู้เลยเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเพราะมันเป็นนิสัยเดิมเราเคยชอบอะไรเราก็จะชอบต่อไปเราไม่ชอบอะไรเราก็จะไม่ชอบต่อไป แต่การชอบไม่ชอบของเรานี้อาจจะเป็นโทษกับเราได้เช่นเราไม่ชอบทำบุญเราชอบทำบาปถ้าเราชอบอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนนิสัยนิสัยนี้เราเปลี่ยนได้แต่ยากหน่อยเหมือนกับถ้าเราไม่ถนัดเ้าถนัดมือขวาแต่มือขวาเสียใช้ไม่ได้เราต้องมาใช้มือซ้ายเราก็หัดใช้เหมือนไปใช้ไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะใช้มือซ้ายได้ ชันใดถ้าเราเกิดมาแล้วเราไม่ชอบทำบุญเราก็เปลี่ยนได้ขอให้เรามองเห็นคุณเห็นประโยชน์ของการทำบุญขอให้เราลองเห็นโทษของการทำบาปแล้วเราก็จะเปลี่ยนนิสัยเราได้จากนิสัยที่ไม่ชอบทำบุญก็จะมาทำบุญจากนิสัยที่ชอบทำบาปก็จะไม่ทำบาปจากนิสัยที่ชอบมีความโลภโมโทโกสันก็จะเปลี่ยนเป็นนิสัยที่เยือกเย็นที่สงบ นิสัยที่มีเหตุมีผลไม่เจ้าอารมณ์ไม่ทำอะไรตามความโลภความโกรธความหลงของเราน h i เปลี่ยนได้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดในโลกนี้จะไม่มีพระอาหารหันต์มาเกิดให้พวกเราได้บูชากันเพราะพวกเราทุกคนมีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันมีความชอบทมบาปเหมือนกัน มีการไม่ชอบทำบุญเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเราฉลาดหรือเราได้ไปเจอคนฉลาดที่สอนให้เราเห็นโทษของการทำบาปเห็นคุณของการทำบุญเห็นคุณของการชำระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์แล้วเราเกิดความเชื่อเกิดความศรัทธาขึ้นมาเราก็จะสามารถทำได้เปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีของเราได้ จากการไม่ชอบทำบุญมาชอบทำบุญจากการชอบทำบาสมาไม่ชอบทำบาปจากการไม่ชำระจิตใจมาเป็นการชำระจิตใจอย่างพวกเรานี้ก็กำลังดำเนินตามทางนี้อยู่แต่อยู่ในระดับต่างกันไปเพราะว่าแต่ละคนก็ยังเป็นเหมือนนักศึกษานักเรียน ถ้าเข้าโรงเรียนใหม่ก็ต้องอยู่อนุบาลไปก่อนถ้าเรียนไปนานแล้วก็ขึ้นไปชั้นปถมชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาได้พวกที่เริ่มต้นก็เป็นพวกที่มาหัดทำบุญก่อนพวกที่ทาบุญได้แล้วก็จะรักษาศีลได้พวกที่รักษาศีลได้แล้วก็จะออกบวชได้ปฏิบัติธรรมได้พอปฏิบัติธรรมออกบวชได้ ก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่เป็นโรงเรียนของพระพุทธศาสนาที่พวกเรากําลังมาเรียนกันขอให้พวกเราพยายามพัฒนาอย่าอยู่ซ้ำชั้นพยายามขึ้นจากชั้นอนุบาลไปสู่ชั้นปฐมจากชั้นปฐมไปสู่ชั้นมัธยมจากมัธยมก็ไปสู่ชั้นอุดมศึกษา ชั้นปริญญาตีโตเอกชั้นอนุบาลก็คือการทำบุญทำทานอย่างที่พวกเราทำกันเดอนี้ชั้นปฐมก็คือการรักษาศีลห้าชั้นมัธยมก็คือการรักษาศีลแปดชั้นอุดมศึกษาระดับปริญญาเองก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบระดับปริญญาโทเอกก็ต้องเจริญวิปัสสนา จเจริญปัญญามองให้เห็นอริยสัจสีมองให้เห็นไตรลักษณ์อริยสัจสีก็เห็นทุกข์ว่าอยู่ในใจของเราเกิดจากความอยากของเราถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องดับด้วยปัญญาปัญญาก็ต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากไม่เที่ยงไม่แทไ้ไม่แน่นอนไม่ถาวร ได้มาแล้วเดี๋ยวต้องเสียไปเวลาเสียก็จะทุกข์ความสุขที่ได้ก็จะหายไปเช่นเวลาได้แฟนมาก็ดี อ, อกดีใจพอแพอแฟนจากไปก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าสศกเสียใจเวลาอยากจะได้แฟนต้องนึกถึงเวลาที่แฟนต้องจากเราไปถ้านึกแล้วเราก็จะไม่อยากได้เพราะเราไม่อยากจะต้องมาเสีย อ, อกเสียใจมาร้องห่มร้องไห้ทีไหน นี่เรียกว่าเห็นอนิจจงเห็นอนัตตาก็คือเห็นว่าแฟนนี้ไม่ได้เป็นสมบัติของเราเราไปสั่งให้เขาอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้วันไหนเขาอยากจะไปเขาก็ไปเฉยๆอย่างนั้นแหละเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามเขาได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะได้ไม่อยากได้เขามาเป็นแฟนเพราะเราไม่อยากจะทุกข์นั่นเองนี่เรียกว่าปัญญา ถ้ามีปัญญาแล้วก็จะบรรลุปัญญาโธเอกได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้บรรลุเป็นพระอนาคามีบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ไปถึงพระนิพพานได้นี่คือมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมาเพื่อให้สันว์โลกได้มาเรียนกันเพื่อที่จะได้รับปริญญาเอก คือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายตอนนี้พวกเราอยู่ชั้นไหนก็ให้พิจารณาดูถามตัวเองว่าตอนนี้ทำทานได้อย่างสม่สำเสมอหรื อ, อยังหรือยังมีความตระหนี่หัวเงินหัวทองอยู่ยังอยากเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาเงินไปเที่ยวอยู่เราต้องเปลี่ยนทิศสัยเราต้องเอามาทำบุญอย่างเดียว ไม่หวงเงินหวงทองชอบทําบุญทําแล้วมีความสุขใจพอเราทําบุญแล้วเราก็ต้องถามว่าเรารักษาศีลห้าได้หรื อ, อยังถ้ายังก็ต้องรักษาศีลให้ได้รักษาศีลห้าได้ก็ต้องถามว่าต่ อ, ตอไปนี้รักษาศีลแปได้หรื อ, อยังรักษาศีลแปได้แล้วนั่งสมาธิได้อย่างทําใจให้สงบได้ย่างทําใจสงบแล้วก็ถามว่าเห็นปัญญามีปัญญาหรื อ, อย่าง เห็นอริยสัจสี่หรือยังเห็นไตรลักษณ์หรือยังเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือยังถ้ายังไม่เห็นก็ต้องพยายามมองให้เห็นให้ได้เพราะมันมีอยู่ตลอดเวลาเรามองไม่เห็นกันเองเพราะพุทธเจ้าผ้าหลานนี้ท่านมองเห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ไปหมดเห็นร่างกายของพวกเราก็เป็นอนิจจังเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ตัวเราของเราแต่เรายังไม่เห็นกัน เราต้องไต่เต้าขึ้นไปจากขั้นต่ำไปสู่ขั้นสูงทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนทำทารักษาศีลห้ารักษาศีลแปลหัดนั่งสมาธิแล้วหัดพิจารณาไปทางปัญญาแล้วเราก็จะเห็นอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นและเราก็จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เข้าสู่พระนิพพานแดนแห่ง แหความปรมังสุขขังคือบรมสุขไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือหน้าที่ของพวกเราขอให้เราอย่างละเลยขอให้พวกเราพยายามทำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทำได้มากเท่าไหร่ผลก็จะได้มากเท่านั้นทำได้มากก็จะจบเร็วถ้าทำน้อยก็จะจบชา้าไม่มี อะไรตายตัวอยู่ที่ความสามารถของเราบางคนทำเจ็ดวันก็เรียนจบบางคนทำเจ็เดือนบางคนทำเจ็ดปีแต่ถ้าเราทำแล้วจะต้องได้ผลด้วยกันทุกคนอย่างแน่นอนอย่นั้นขอให้พวกเรามีความแน่วแน่มั่นคงต่อความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพยายามปฏิบัติตามให้ได้แล้วเราจะได้รับแต่ผลดี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 แคขคาดปลอไภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ